บทภาชณีปาจิตตีสามร้อยแสัตว์มีชีวิตภิกษุสําคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิตปลงชีวิตต้องอบัตตปาจิตตีสัตว์มีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจปลงชีวิตต้องอบัตตปาจิตตีสัตว์มีชีวิตภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตปลงชีวิตไม่ต้องอบัตตทุกกดไม่ใช่สัตว์มีชีวิตภิกษุสําคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิตต้องอบัตตทุกกฎไม่ใช่สัตว์มีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตตทุก ไม่ใช่สัตว์มีชีวิตพิกูุสำคัญว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตไม่ต้องอาบัด